คอลัมน์เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนที่หนึยยถามการทําโทษลูกด้วยการตีนั้นบาปหรือไม่ครับถ้าบาปเราจะสอนเขาอย่างไรเพราะเขาไม่ยอมเชื่อฟังเราเลยอีกอย่างที่อยากทราบคือการดุว่าลูกดังๆเพื่อขู่บ่อยๆนั้นจะเป็นการสะสมโทสะเป็นโทษเป็นภัยกับตัวเองหรือไม่ตอบถึงวันนี้การมีลูกเป็นเรื่องน่าเห็นใจมากครับ ที่จะเลี้ยงเด็กรุ่นใหม่ให้สงบเยือกเย็นน่ารักน่าเอ็นดูนั้นยากเหลือเกินเนื่องจากสิ่งกระตุ้นรอบข้างเจื้ออยู่ด้วยราคะโทสะโมหะเข้มข้นยั่วยุให้เด็กอยากทำอะไรก็ทำไม่ค่อยอยากยับยั้งชังใจและเมื่อลูกไหลออกมาจากท้องแล้วคุณจะเปลี่ยนใจจับยัดกลับคืนที่ก็ไม่ได้ถูกใจหรือไม่ถูกใจขอเปลี่ยนคืนแบบสินค้ารับประกันคุณภาพก็ไม่ได้เสีย ด, ด้วย ก่อนจะเข้าเรื่องบาปหรือไม่บาปกับการตีลูกขอยกตัวอย่างการทำโทษลูกที่น่าประทับใจและทุกคนต้องเชื่อตรงกันว่าเป็นบุญแน่ๆก่อนนะครับที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของหลานชายมหาตมะคารทีซึ่งมีนามว่าอารุณคารทีผมเอามาจากหนังสือชื่อ Don't eat the marshmallow yet แปลเป็นไทยคือ วิธีคิดที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จเมื่ออารุนอายุ17ปีเขาขับรถไปส่งพ่อที่ทำงานซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ15กิโลเมตรเพราะส่งเสร็จเขาก็ได้รับคำสั่งจากพ่อให้นำรถไปเข้าอู่ซ่อมและคอยรถจนกว่าจะเสร็จแล้วต้องกลับมารับท่านตอนเลิกงาน5โมงเย็นเบื้องต้นอารุนก็ปฏิบัติตามคาสั่งดีนารถไปเข้าอู่ให้พ่อ แต่ปรากฏว่าช่างสามารถซ่อมรถเสร็จตั้งแต่เที่ยงวันอารุนจึงเหลือเวลาร่วมห้าชั่วโมงกับการฉายเดี่ยวขับรถตระเวนไปรอบเมืองแวะดูหนังจนกะโมงยามผิดกว่านั้จะจบก็ปาเข้าไปหกโมงเศษแล้วแน่นอนว่าจะไปถึงที่ทำงานของพ่อก็ต้องปล่อยให้ท่านแกลรอมาแล้วราวชั่วโมงเศษพออารุนมาถึงก็ขอโทษขอโพใหญ่พ่อของอารุนไม่ว่าอะไร เพียงถามด้วยความเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วระสาเด็กวัยรุ่นที่รักตัวกลัวอาญาพ่ออารุณได้ใส่ความช่างซ่อมรถหาว่าเป็นพวกหน้างโง่กว่าจะเจอจุดที่เสียว่าอยู่ตรงไหนก็คลึ่งคอนวันเพิ่งซ่อมเสร็จหยกๆยกนี่เองพ่อของอารุณอึ้งงันเพราะเพิ่งโทรศัพท์ไปสอบถามกับอู่ซ่อมรถเมื่อเวลาห้าโมงครึ่งด้วยความเป็นห่วงกับการล่าช้าอย่างผิดปกติ เกรงจะเกิดเรื่องร้ายกับลูกชายตนและก็ยิ่งห่วงหนักขึ้นเมื่อทราบจากทางอู่ว่ารถเสร็จตั้งแต่เที่ยงมาบัดนั้นไม่ได้ฟังการรายงานแบบปั้นน้ำเป็นตัวของลูกชายเขาตัดสินใจเพียงครู่ก็สั่งเรียบเรียบว่าลูกพ่อขับรถไปเถอะพ่อจะเดินกลับบ้านเองจากอาการประหมา่ากลัวโดนทาโทษอาลุนเปลี่ยนเป็นตกใจตะลึงงงเพราะ ระยะทาง15กิโลเมตรในเวลาย่ำค่ำไม่ใช่เรื่องตลกเขาโวยวายคัดค้านการตัดสินใจของพ่อเพียงเพื่อฟังคำตอบสะเทือนโสดที่สามารถพลิกชีวิตของเขาให้เปลี่ยนไปตลอดการลูกพ่อถ้า17ปีที่ผ่านมาเนี่ยพ่อไม่สามารถทำให้ลูกไว้วางใจพ่อได้ก็แปลว่าพ่อต้องเป็นพ่อที่แย่มากสมควรแล้วละ่ะที่จะเดินเท้ากลับบ้านเพื่อคิดให้ออกว่าจะทาตัวเป็นพ่อที่ดีขึ้นกว่านี้ได้ยังไง ขอให้ลูกอภัยกับความเป็นพ่อที่ไม่ดีพอตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วยเถอะเมื่อพ่อเริ่มออกเดินอาลุนก็ก้าวขึ้นรถยนต์และขับตามไปเขาจอดเป็นระยะเพื่อวิงวอนขอร้องให้ท่านขึ้นรถแต่ก็ได้รับการปฏิเสธพ่อยังคงเดินหน้าและพูดสั่งไม่หลอกลูกกลับบ้านเถอะกลับบ้านไปครั้งนั้นอาลุนไม่ฟังคาสั่งไม่ยอมทิ้งพ่อกลับบ้านไปก่อน แต่แม้ขอร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ได้รับการยืนกรานปฏิเสธทุกครั้งไปเขาเหน็ดเหนื่อยแทบขาดใจกับการอ้อนวอนและแม้อยู่ในรถก็นั่งอย่างไม่เป็นสุขไม่ต่างจากลงเดินเท้าร่วมกับพ่อซักเท่าใดนักกระทั่งลุถึงบ้านพร้อมกันในเวลาเกือบห้าชั่วโมงครึ่งต่อมาฝ่ายบิดาก็ทิ้งลูกชายเข้าห้องนอนไปเฉยเฉยไม่ดุด่าไม่เคี่ยนตีไม่ทาอะไรอื่นใดทั้งสิ้น แน่นอนว่าคืนนั้นอารุนโดนความรู้สึกผิดหลอกหลอนไปจนถึงเช้าและอาจจะต่อเนื่องอีกหลา ย, ลายคืนด้วยประสบการณ์ขย่าประสาทส่งผลให้อารุณเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขากล่าวว่าหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยโกหกมนุษย์หน้าไหนอีกเลยอ่านแล้วชอบเรื่องนี้มากครับโดยเฉพาะเมื่อทราบว่าเกิดขึ้นจริงๆมันทาให้ผมได้แง่คิดว่าโลกเรา มีเรื่องราวเป็นพันล้านเรื่องทุกวันทุกชั่วโมงและทุกวินาทีแต่กรําข่าวอันยิ่งใหญ่หน้านับถือของคนบางคนเท่านั้นที่ทําให้มีเพียงบางเรื่องสมควรถูกบันทึกไว้เล่าขานเป็นแรงบันดาลใจไม่รู้ลืมลองคิดดูว่าถ้าคุณเป็นพ่อของอารุนคุณจะทําอย่างไรแน่ยิ่งกว่าแช่แป้งพ่อทุกคนที่จับได้ว่าลูกโกหกตนทําให้ตนต้องแกลลอรอเป็นชั่วโมง ย่อมอยากทำโทษในทางใดทางหนึ่งสถานเบาคือด่าว่าด้วยความฉุนเฉียวสถานหนักอาจตบกระบาลกันกลางถนนเดี๋ยวนั้นวิธีโต้อตอบกับสถานการณ์ที่ไม่ให้โอกาสคิดนานนั้นสะท้อนตัวตนอันเป็นปกติของคนคนหนึ่งได้อย่างชัดเจนดังจะเห็นว่าพ่อของอารุณต่างไปจากพ่อคนอื่นท่านมีสติมีความสงบมีความคิดอ่านเสมอต้นเสมอปลาย สิ่งที่เราได้เห็นคือตัวตนของพ่อผู้มีน้ำใจประเสริฐยอมเหนื่อยเดินเท้า15้ากิโลเมตรเพียงเพื่อดัดนิสัยลูกให้ดีขึ้นคุณเห็นเลยว่านี่เป็นการฉายภาพแห่งบุรุษแท้ที่แข็งแกร่งตั้งมัน่นและทำสำเร็จในกิจอันเป็นไปเพื่อมาหากุศนี่อาจน่าคาระวะยิ่งกว่านักรบผู้พิชิตร้อยสมรภูมิเสียอีกคุณคาดหมายได้ว่า ลูกที่มีพ่อที่มีความมั่นคงราวหินผาเช่นนี้จะเติบโตขึ้นเป็นชายที่แข็งแกร่งและทนเพียรทำดีให้สำเร็ จ, จเจริญรอยตามพ่อได้เช่นกันว่ากันถึงข้อสรุปเบื้องต้นก่อนนะครับเมื่อใดคุณมีสติและหักห้ามใจตัวเองไม่ให้ทำตามกิเลสได้สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาจะเป็นปัญญาเห็นทางออกที่ดีขึ้นเสมอนี่เป็นความจริง การห้ามใจไม่ดุด่าทันทีไม่ตีลูกทันทีจะทำให้คุณคิดออกตามพื้นฐานสติปัญญาของตัวเองว่าควรทำอย่างไรมีช่องทางไหนในสถานการณ์หนึ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้ถ้าตั้งใจให้ลูกดีขึ้นถ้าตั้งใจให้ลูกเชื่อฟังคุณต้องไม่พูดไม่ลงมือด้วยโทสะแต่ต้องหนักแน่นด้วยขันติที่เจืออยู่ด้วยเมตตา กับทั้งประกอบพร้อมด้วยความเป็นกลางวางเฉยคุณจะเกิดปัญญาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เองยิ่งเกิดปัญหาบ่อยก็ยิ่งรับปัญญาให้คมและสามารถคิดอ่านได้แหลมคมยิ่งยิ่งขึ้นอย่างไม่มีอะไรเลยขันติและเมตตาจะทำให้น้ำเสียงของคุณนุ่มนวลลงกว่าตอนกำลังโมโหซึ่งก็จะเป็นแสงสว่างชำระความมืดมนในจิตใจของลูกให้หายไปหรือ ลดน้อยถอยลงได้ไม่มากก็น้อยคนเราไม่ค่อยคิดฝึกห้ามใจจึงไม่ค่อยมีใครรู้รสของการเป็นคนแข็งแรงและมีอำนาจอยู่เหนือกิเลสกับทั้งไม่รู้ว่าเมื่อมีอำนาจอยู่เหนือกิเลสแล้วสติปัญญาจะมาได้มากขนาดไหนคราวเนี้ยขอตอบตรงคาถามคือที่คุณติดตีรูปไปนั้นจะเป็นบาปเพียงใดอันนี้เราต้องพิจารณาตามจริงว่า การตีลูกมีหลายแบบต่างกันที่เจตนาตีลูกประชดผัวที่ไม่รับผิดชอบครอบครัวก็มีตีลูกเพราะเมาเหล้าอรารวาสก็มีตีลูกให้เข็ดหลาบจากการทําตัวเลวๆก็มีตีลูกเพื่อให้สํานึกว่าทําอะไรลงไปก็มีเมื่อตีไปแล้วลูกเจ็บตัวไม่ว่าด้วยเหตุผลกลใดเจตนาดีร้ายแบบไหน พ่อแม่ส่วนใหญ่จะรู้สึกเหมือนๆกันคือสงสารลูกว่ากันว่าถ้าตอนเป็นเด็กเคยโดนตีไว้มากโตขึ้นจะระงับความโมโหยากแล้วก็เอามาลงกับลูกของตัวเองซึ่งดูไปก็เหมือนห่วงโซ่แห่งเวรโดนพ่อแม่ตีมาก็มาตีลูกตัวเองต่อพอตีลูกตัวเองอีกหน่อยก็ไปเกิดกับพ่อแม่ที่นิยมการตีลูกเป็นงานอดิเรกอีก ลูกไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแต่หลายคนมักเผลอลืมและตีลูกได้ด้วยอารมณ์ประมาณเดียวกับทุบตีสัตว์เลี้ยงการทำให้คนอื่นเจ็บกายเจ็บใจนั้นเป็นการทำให้เกิดทุกขเวทนาทางกายและทางใจเมื่อให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นยากจะไม่ย้อนกลับมาถึงตัวอีกประการหนึ่งการให้ทุกแม้ทางกายย่อมเพาะเชื้อของความเกลียดความกลัวหรือทั้งเกลียดและกลัว ขึ้นในใจอีกฝ่ายด้วยเป็นของแถมฉะนั้นการตีจึงไม่ใช่นโยบายที่ดีและควรเป็นมาตรการท้ายสุดหลังจากไม่พบทางออกอื่นอีกแล้วหากรู้ตัวว่ากำลังอยู่ในอารมณ์โกรธการออกห่างจากลูกสักพักอาจช่วยได้มากเพราะคนเราตอนโกรธนะครับอยู่ใกล้ใครหรืออะไรก็พานพาโลมกับคนนั้นหรือสิ่งนั้นแหละ ขอให้คิดถึงผลเสียที่จะตามมามากๆทั้งการที่ลูกผูกใจเครียดแค้นคุณและทั้งการที่คนอื่นอาจาได้รับผลร้ายจากความเก็บกดของลูกคุณอย่างไรก็ตามให้มองตามจริงอีกเช่นกันตามสํานวนรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนั้นถ้าไม่มีความหมายอยู่เลยก็คงไม่จดจำกันมนุษย์เราเหมือนม้าพยศหากไม่มีมาตรการเด็ดขาดเพื่อกำราบเสียบ้าง ก็อาจดิ้นหนีหรือทําเรื่องร้ายตามสัญชตาตญาณดิบไม่มีสิ้นสุดหากทําโทษด้วยความปรารถนาดีไม่อยากให้เขาเป็นภัยแก่ตนและคนอื่นก็สบายใจได้ว่าในเบื้องต้นจิตของคุณตั้งขึ้นด้วยเจตนาที่เป็นบุญมันเริ่มต้นกันที่ใจแม้การตีจะเป็นบาปอันเกิดจากการทาร้ายแต่ถ้าใจคุณมีสติด้วยความตั้งใจดีเป็นพื้นก็ช่วยแบ่งเบาบาปได้ครับกล่าวคือ หากมีสติครบถ้วนไม่เจือด้วยโทสะเลยหวังจะให้การทำโทษเป็นมาตรการเด็ดขาดเพื่อความถูกต้องก็อาจเป็นบุญ 75% เจืออยู่ด้วยบาป 25% ต่างจากการตีด้วยความโกรธหรือด้วยความถืออำนาจแห่งความเป็นพ่อแม่ซึ่งจะเป็นบาปเต็มร0อยเซตครับตามที่เห็นนะครับเด็กบางคนแม้โดนตีหลายต่อหลายครั้งก็ไม่จาเป็นต้องเสียสุขภาพจิต หรือมีปมแค้นฝังใจมันขึ้นอยู่กับว่าเด็กรู้สึกว่าเป็นปกติกับพ่อแม่อย่างไรรักหรือไม่รักอบอุ่นหรือไม่อบอุ่นเข้าใจหรือไม่เข้าใจหากเขารักคุณอบอุ่นกับการเลี้ยงดูของคุณตลอดจนเข้าใจดีว่าคุณทำทุกอย่างด้วยเหตุผลเพื่อเขามาตลอดการหวดด้วยไม่เรียวคงไม่อาจทาลายความรักความอบอุ่นและความเข้าใจในตัวคุณลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณหัวดด้วยสติลงน้ำหนักตามโทสานุโทษ์เขาจะเข็ดหลาบและกลัวบาปกลัวกรรมไม่ใช่เข็ดและกลัวตัวคุณส่วนเรื่องการสะสมโทสะของคุณเองก็อย่างที่คุณคิดครับการดุด่าว่ากล่าวนั้นต่อให้สติดีเพียงใดวันต่อวันมันก็ต้องมีกลิ่นไหม้และความมืดของโทสะแทรกซึมเข้ามาสู่หัวใจคุณบ้างไม่มากก็น้อย การตีและการดุดาคือการสอนที่ปลายทางการสอนที่ต้นทางจะต่างไปคุณจำเป็นต้องป้อนอะไรที่เป็นกระแสะความดีเข้าสู่จิตใจเขาเรื่อยๆนับจากทําตัวเป็นแบบอย่างเช่นตัวพ่อแม่เองต้องไม่ทะเลาะกันให้เด็กเห็นเด็ดขาดและถ้าอยากให้ได้ผลไวต้องหมั่นทําบุญใส่บาตรให้เขาดูให้เขามีใจอ่อนน้อมมีความอ่อนโยนนาเขาสวดมนต์เรื่อยๆ แล้วก็แนะนำให้เขารู้จักแรงบันดาลใจดีๆที่มีในสังคมอย่าให้เขาเข้าใกล้วิดีโอเกมโหดๆพูดง่ายๆแบบรวบรัดคือป้อนแต่เหตุปัจจัยด้านดีเข้าสู่จิตใจเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็ขัดขวางทุกวิถีทางไม่ให้เขาได้รับเชื้อร้ายจากโลกร้อนในปัจจุบันถ้าขวางอย่างสิ้นเชิงคงเป็นไปไม่ได้เอาเป็นว่ามากที่สุด เท่าที่ความเป็นคุณจะอำนวยแล้วกันครับเด็กนั้นเคยเป็นคนอื่นมาก่อนตอนที่เขาอยู่ในความรับผิดชอบของคุณอยู่ในมือคุณก็ต้องดูกันต่อไปว่าคุณจะปั้นหรือเปลี่ยนเขาให้เป็นผู้พร้อมจะไปดีได้แค่ไหนเลี้ยงลูกให้เป็นอย่างไรต่อไปคุณจะถูกเลี้ยงเยี่ยงนั้นแหลจากเด็กตัวน้อยน้อยที่อ่อนแอไรเรี่ยวแรง เติโตจนมาเป็นคนขึ้นนาดนี้ต้องหมดเปลือยเงินทองต้องทุ่มเททั้งกายใจอดทนแค่ไหนใครทำให้เราได้เท่าเธออยาดเงื่อลือนน้ำตาว่าจะได้เป็นตัวตนไม่เคย